อธิบายเรื่องสติสติเป็นของสำคัญอะไรๆทั้งหมดมารวมที่สติอย่าง เ, เดียวแล้วเผอสติแล้วมันมีสติจิตมั น, นตุ้งสงสายแต่ในทีต่างๆสติคุมจิตมาอยู่มันยังเคยฟุ่งคนที่มีสติแล้ว มันลงปัจจุบันไม่ได้สงสัยไปที่ไหนเรื่องสติคุบจิตอยู่นิ่งแนวในที่แห่งเดียวแล้วยอมรู้ตัวอยู่เสมอทำไมาได้ผิดทำไมาได้ถูกทำไมาได้ดีชั่วทำง่ายละเอียดรู้ตัวอยู่ทุกขณะ คนเราถ้ารู้ตัวอยู่เสมอเสมอมันก็ไม่กล้าทำความชั่วคนที่ตั้งใจจะทําความดีตั้งใจหมายความว่าตั้งสติเองตั้งใจคือตั้งสติเองจะทําความดีต่อไปความชั่วก็หายไปหากความชั่วก็ามาแทรกซึมก็ามา ในขณะที่ตั้งจิตไั่นก็รู้ตัวอยู่ทำชั่วไม่ได้คนที่เผลอสติหลงลืมสติตั้งสติไม่อยู่ตามรู้ไม่ตามรู้เท่าทันจิตเรียกว่าตามรู้ไม่ใช่รู้เท่า มันตามรู้กับรู้เท่ามันต่างกันมันตามรู้นัน้นมันไปแล้วยังค่อยรู้อย่างว่าของเกิดขึ้นมามันรู้ไปแล้วยังไมยรู้แต่ก็ยังดีอยู่ถ้ารู้ตัวแต่มันมันไปซะก่อนยัง่อยรู้ตัวมันยังไมยรู้มันถ้ารู้เท่าแล้ว มันรู้แต่เมื่อจะไม่เกิดมันจะเกิดกับรู้นั่นไงว่ารู้เท่าคือมันเท่าตัวมันเองนั้นไม่ไม่เกินกันไม่เกินกันไม่ไม่บกไม่พ้องไม่พอดีพอดีกันยัว่ารู้เท่าอยู่คงที่คนเรามักจะตามรูม้ตามรู้เป็นดีอยู่นี้ก็จะไม่รู้ตัวเลย กันที่จะหัดสติให้รู้เท่าไม่เก็ดองง่ายๆแล้วพระที่เจ้าทันเทศนาสอนตัวสติตัวเดียวทำทั้งหลายเทศองเทศอยสี่สิบห้าท่านศารูา้ความไม่คว่ำไม่ประมาทความปรมารจะถูกตผูมีสตินั่นเองมีสติรู้เมือ่อรู้ตัวอยู่ทุกเมือ่อ สติชาพระ้าโตตื่นอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอไม่นอนหลับ น, นไม่นอนหลับแค่หลับอย่างธรรมดานอนหลับอยู ค, อคือคือไม่รู้ตัวแล้วเพลิดเพินสนุกสนานตั้งแต่เปนหนุ่มจนกระทั่งแก่จนกระทั่งลืมลืมอย่างกับดังเถ่า ไม่รู <intent>? ้ตัวสติเลยไม่รู้ไปไหนเมื่อไม่รู้สติไม่มีสติก็ทําไปอย่างนั้นเนี่ยทำกิจการอะไรต่างๆก็ทำไปตามเรื่องคิดเขรู้จักถูกเารู้จักถูกแก่แต่ว่าสติไม่รู้ตัวสติไม่รู้สึกเถ้าสติรู้สึกตัวอยู่นั้น จะต้องจ้องดูอยู่เสมอเสมอคิดมันคิดอะไรก็จ้องดูอยู่นึกมันสงสัยก็จ้องดูอยู่เมื่อมันอยู่คงที่แล้วมันไม่ไปมีความรู้สึกอยู่แต่หาไม่คิดไม่นึกรู้สึกเฉย สิ่งต่างๆมันกระทบมันก็ไม่รู้ตัวรู้ตัวอยู่สิ่งต่างๆมันกระทบแต่ว่าไม่ส่งไปไม่ส่งไปตามอารมณ์นั้นมีความรู้สึกตลอดเวลารู้ตัวมันอยู่แต่ไม่ส่งไปมั น, นเรียกว่าสติอยูอ่เฉยๆถ้าหากว่า อมันรวมเข้าไปเป็นข้าวังแล้มันเขาถึงสมาธิดววูบก็จะหายหมดไม่มีอะไรทั้งนคมิดคาม่านก็ไม่มีควานึกควนึ ก, ก็ไม่มีจไม่สงสายไปมาไม่มีทั้งนั้นคิดก็ไม่ออก หารู้ตัวอยู่ชฉยๆรู้ตัวมันอยู่เฉยๆอันนั้นนั่นเป็นบางข้างบางคราวไม่ใช่เป้นตลอดเวลาตรงนั้นแหละจึ่เรียกว่าภาวนาเป็นเข้าถึงตรงนั้นแหละชื่อเรียกว่าภวนาเป็ถ้าถึงตรงนั้นแล้วอธิบายธรรมเข้าใจดี เพาธรรมะมันออกมาจากมันมดมาจากใจนั่นน่ะคือใจนั่นแหะเรียกว่าใจกลางทํารมะใจว่าใจหมายความถึงความเป็นกลางไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่สุดดีสุขชั่วไม่ทรงออกนอกไหนอะไรต่างมดเขาแต่มันรู้ตัวอยู่รู้ตัวมันเอง เจะโนม้มน้าวนั่นเรียกว่าใจใจคือของกลางใจของกลางนี่แหละมันจะออกมาเป็นจิตอะไนี้มันจะส่งสายไปมาสำหรับ ท, ทุกอย่างคิดนึกโ น, น, น, น่นนี่ต่างตุ้มแต่งโน่นนี่ออกไปเยอะ่ยะขอบตุ้มแต่งไป้องมาก เลยมีจากหลักมีจากหลักธรรมะนะั่นเลยในเข้าถึงหลักสักทีเกิดงานผู้คนทั้งหลายนั่นลืมหลักแต่เกิดมาไม่เคยเข้าถึงใจเดยสักทีได้อยู่กับมีได้อยู่กับจิตเฉยๆพูดว่ายส่งไปมา ท่านกามา็มาเปียกเหมือนกับลมก็เปียกเหมือนกับวังวนวนอยู่ยนั่นนี่ยต้าแต่มีอะไรระวางวนพระองค์จะเทศนาตืดตามตาตามหูตามรม่างกายใจนี่แหละวนอยู่ทนีน่เรียกว่าจิตจิตมันวนมันออกจากตาไปหาหูออกจากหูไปหาร่างกายใจ เดี๋ยวก็จับของเก่าหรืออาจจะจับกันก็ได้สจับหน้าจับหลังก็ไดาษตาแล้วไปเจมูบไปเรีบไปไกลหนุ่มไปก็ได้ษวนวนวิวนวายสรพันทุกอย่างไม่เป็นรถเป็นชาอะไรเลยวนวายอยู่ตลอดเวลามันวนมันให้เข้าถึงความสงบมันให้เข้าถึงใจให้เข้าถึงของของกลาง ที่พระองค์จะเทศนาวะพราวาพระเวกันเทศนามันพบต่างๆพบน้อยพบใหญ่คือมันจะติดในสิ่งต่างๆนั่นแหะเรียกว่าพ บ, พบตายแล้วเกิดต่แล้วเกิดวันหนึ่งนับในส่วนจิตมันไปติดไปติดนึ่งจปติดนี้สารภาพทุกอย่างมันไม่วางมันไม่เข้าถึงของกลางเมืม่อเข้าถึงความสแท้ น้อยพบใหญ่พบน้อยอันนี้นะพบใหญ่นะั้นตายแล้วไปเกิดเดี่ยวพบใหญ่ในสตินั้นนะั้นเกิดดับเกิดดับอยี่ยงนั้นตลอดเวลาคือไปยึดติดอยังเมื่อท่นอะไรไปยึดหนุนแล้วเม่อท่านม่ท่านรู้เรื่องอะไรไปยึดตรงนี้นยีแล้วแวบแวบแวบอย่างนั้นนี่ยบพบน้อย เพรง่ายเี่ยึดจริงๆนะจังพรแตกเพรดับมันก็จะเกิดใียึดนั่นเลยคนเราเกิดมาอยากเข้าใจว่าจะเป็นที้ใหญ่มันตั้งเด็กดีๆบาแบบแบบมีรักีเจอนเลยคิดนึกต้องใา่คิดนอนคิดนี้อยู่ตลอดเวล คิดเป็นเรื่องเป็นราวนัว้นเป็นเหตุเป็นการเรื่องราวต่างๆเป็นวางครั้งบางคราวแต่อันส่วนตีย้อยลเล็กแตน้อยนั้นมันเยอะจนนับไม่ถ้วนเทศนาพระองค์เทศนาตอนนี้เกิดมาตั้งร้อยปีพันปีละต่างถ้ายัางไม่ท่านรู้จักความเสื่อมความสิ้น ของสังขารร่างกายปราบไดแค่หน่อยจีวันจีก็ไม่เท่าคนเกิดมาวันเดียวจะรู้จักความเสื่อมความสิ้นของสังขารร่างกายคือพี่น ย, ยังความเสื่อมความสิ้คนความดับไปสมของกายการเห็นความเกิดความดับมันรีบเร่งทำความเพียรแป่ว่าไม่ประมาทมันหาทําคุณงามควาดี จะทําทานรักษาศีลไม่ตากระนานกระรีบทํา ม, มันื่อเนี่ยวความไม่ประมาทเพราะนั้นประมาทความไม่ประมาทนึ่งรีบทําความดีใช่ท่านเห็นตัวจะตายเลยก็รีบทําความดีเช่เมื่เนี่ยวความไม่ประมาถ้าเห็นตัวจะตายก็แจกจะดับรีบรักษาศีลใช่ เห็นตนจะแกกจะดับรีบภาวนาใช่รีบรักษาใจไว้ใชอ่อืมอืคมความประมาทเห็นความตายรีบทําำ功德ชั่วอันนั้นเรียกว่าความประมาททาคนชั่วจนไม่ลืมเลือนตัวเรียกว่าประมาทคนเราเกิดมาในศาสนานัาถือพุทธศาสนาทุกคนลาชั่วทําดี ปฏิบัติละชั่วทําดีแท่านั้นต้องการอยากจะดีถึงเมื่อเป็นโสดเป็นขโมลสักครั้ง่น่วนตายลนึกถึงความดีแล้วเดิกถึงคุณพระคุณเจ้าอยู่ดีๆไม่เอาเอ๊ะนั่นไงวาความดีนั้นถึงจุดหมายจุดหมายปทางของพุทธบุตริษัตร์ ซือศาสนามานมนานจะปูยาตาทั่วถึงแม้ไม่เขาวัดบางทางไม่ต้รักไม่เขาวัดบางทําให้องเ็พก็ตามเถิดต้องมีนิสัยจิด ต, ตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาชั่วทําดีรีบเป็นทําคุนงามคนดีรีบอย่างนั้นในเวลานี้เราทุกคน ไปหางามสมดีติดตั้งสติให้มัน่นรักษาจิตของตนให้แน่วแน่เพื่อรักษามาปทางชั่วลงไหลไปทางชั่วเพียงแต่รักษาสติสนี้แหละไม่ต้องลไม่ต้องอะไรไม่ต้องทำบุญทาทานอะไรเลยห มีสติทุกเมื่อตัวนี้แหละเป็นพอแล้วอันควรดีเราจะต้องทํานั้น ต, ตรงนี้แหะมักขาดสติตรงเดียวตัวเดียวตัวนี้แหละมันหาก เ, เองตัวเองทของเล็กเล็กน้อยน้อยนั้นมันออกไปจากนี้วิธีรักษาจิตของเราคือตั้งสติกำหนดจิตเท่า น, นี้แต่ไม่อื่นไกลอะไรไหรอกรั้งที่เราฟังนี่แล้ว าหากจะคิดสรุปรวมมาพุทธศาสนาทั้งหมดองค์เทศนาที้สี่สิบห้าปีรวมลงมาตรงนี้แล้วไปสั่งที่ที่ไหนก็นเอาถอะเขาจะเทศน์ก็เอาถขอข้อหลุดสรุปจะกลมนันรวมมันแห่งเดียวนี่ถท่นั้นราวานานยุกหน่อกองหนอ่อลวพิจารณาสมาธิหังพิจานณาปั า, าสติ เราม่ใช่เขาออกเสนาวกุโทกุโธเอาเถอนั่นก็มดทั้งสวงรวมเงมาแล้วก็ตั้งสติให้เป็นสมาธิสันเดียวถ้าหากไม่ตั้งสติไห้เป็นสมาธิไม่เป็นประโยช น, น์เพราะนานแล้วก็เป็นประโยชน์ผารงหนึ่งกันสมายทางพุตธการ ไอ้คนาญาิริมสตัตองอยางกินปลาทนั้ น, น่ะเอาเป็นอารมณ์ไอตน้องอยางกินปลาน้นองางกินปราท่านันไม่พอนาลงหลังท่านมองเห็นแสงไฟแสงเทียนมันจุดึ้นมาแต่ลุกโผขึ้นมาลย้อนยบยับถังทบจะดับถ้ากุกโพงขึ้นมานท่นานเขาพ<ช>ิจารณาเป็นอารมณ์ก็<ะ>ได้สาเร็จและ้ว คอว่าอะไรก็เอาถอะทันท้าหากว่าจิต ร, รวมได้แล้วจะใช้ได้เท่านั้นก่อน ท, ที่จะรวมต้องคิรนาเข้าในแยบออกไปนอกผู้พิจรณานันอันหนึง่งไม่ใช่เอาหูโถไม่ใช่เอาสมาธหางไม่ใช่เอายุ่งหนอป้องหนออันนั้นเป็นเครื่องลอ จิตมาอยู่ในที่นั้นแต่เวลาเอาเขาอีก น, น, นั่นต่างหามันพูดยากเหมันสนะันสนพูดไม่ถูกแล้วถ้าใครจะทําอะไรใครจะทํายังไงก็เอาที่มันพูดของของใครของมันออกที่จะจับเอาตรงนั้นจับเอาด้วยวิธีใดจะจับเอาคู่คุณ น, นึกคู่คิดคู่รู้สึกอนะไรจะจับด้วยวิธีใดมีแยบคายอะไรกันเพราะส่วนตัวตรงนั้น บอกกันไม่ได้แม้ว่าธรรมะในที่เราฝึกอัดอปฏิบัตินั้นมันยากพูดยากเหมือนกันพูดไม่ไม่ถูกเวลามันเป็นเองแล้วยังคยพูดถูกเรื่องอันนั้นอย่างพูดในฟังนี้ก็อีกที่พูดในฟังเดี๋ยนี้นะยังไม่ทันเป็นไม่เข้าใจ ว่าเป็นสมาธิภพวนานแนวๆไปแล้วโอ้ท่านพูดว่า่างนั้นเป็นอย่งนั้นหอกมันเป็นอย่างนี้เองท่านพูดเทนั้นเมื่อนั้นเวลานั้นก็คุคมรู้ขึ้นมาเหตุ น, นั้นเป็นเป็นสิ่งที่ควรพากันทางอายุนานของเราก็เรียกว่าแก่มาพอทุกควนแล้วทุกคนควรระลึกคิดถึงความตายสํารวมจิตใจให้ เป็นสมาธิสัรวมใจให้อยู่คงที่สัรวมใจให้ได้จึงจะเป็นใจของเราถ้าสัรวมใจไม่ได้ก็ได้ชั่วไม่ใช่ของเราเราอยู่ในบังคับของใจถ้าหากเราสัรวมใจได้เรียกว่าเราบังคับใจได้จะเป็นวัตใจได้เอาละท่าน